สอหุเนยยสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ควรแก่ของที่เขานามาถวาย 10. ภิกษุทั้งหลายบุคคลเก้าจำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานามาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักซินาควรแก่การทําอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลก้าจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งพระอรหันต สบุคคลปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล 3. พระอนาคามี 4. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผล 5. พระสกทาคามี 6. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผล 7. พระโสดาบันแปบุคคลปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปัฏิผล โคตระภูบุคคลภิกษุทั้งหลายบุคคลเก้าจำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่กของที่เขานำมาถวายเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอาหุนยสุด ท, ที่สิบจบสัมโพธิวัตที่หนึ่งจบ